วันนี้เป็นวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2554พ่อกลับมาเมื่อวันที่6หลวงตาพระรัชทานเพิงศพองค์หลวงตามหาบัววันที่5มีนาคมพุทธศักราช2554พอเสร็จเรียบร้อยวันที่6หลวงพ่อก็ได้ออกมาแต่คงจะกลับเข้าไปอีกก็คงเป็นวันที่ วันที่สิบเอ็ดกคงจะแจกอังคารธาติทิธาติขององค์หลวงตาไปตามวัดต่างๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนกับไหว้สักการบูชาตามวัดต่างๆจากนั้นก็คงจะหมดภาระของหลวงพ่อแต่ก็ยังไม่หมดจุดๆหนึ่งก็คงจะถามคณะสงฆ์หรือถามเจ้าอาวาสใหม่รละคณะศรัทธายาติโยม ที่จัดงานองค์ลงตาในครั้งนี้ก็คงจะถามวันที่11มีหนี้สินอะไรบ้างในวัดในารว่าขาดใช้ใจ่ายในวัดมีอะไรเพราะงานใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องได้ใช้ใจ่ายเยอะถ้าไม่มีทางวัดสามารถที่จะแก้ไขได้พวกเราที่เป็นวัดหัวเมืองมากัน ที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์เจ้าอาวาสต่างๆที่เป็นสิทธิ์องค์หลวงตาเจาอาวาสต่างๆก็สบายใจก็คงจะไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าทางเจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการบอกเออมีนี่สินจะต้องได้ชำระเท่าไรอนนก็คงจะได้ลงขันกันอีกลงขันกันแค่พแก้ปัญหาในจุดนั้นเจ้าอาวาสวัดต่างๆก็คงจะ เอาลงเอาเงินลงลงขันกันแล้วก็ใช้นี่สินาะ อ, อาจจะมีแต่ประจุเจตุปใจที่ได้ในมาในวัดจะเอามาใช้ทั้งหมดก็ไม่ได้ก็จะต้องไปเก็บไว้เพื่อดูแลพระเนน ญ, ญาติโยมพบวัดใหญ่อันนี้ก็ส่วนนึงก็คงจะได้ปรึกษาปารับรบกันต่างว่าหลวงพ่อเคยบอกนะบอกว่าลูกศิษย์ลงตา พวกเราเป็นสิทิ์ของหลวงตามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพวกเราต้องเคียงบา่าเคียงไหล่กันแบกในเมื่อมันหนักหามในเมื่อมันหนักเบามันมีปัญหาต่างคนก็ต่างอยู่ในที่ทางของใครของเราต่างองค์ต่างประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลับพระธรรมวินัยแต่มีปัญหาเกิดขึ้นพวกเราจะต้องมาช่วยกันเมื่อจัดงานแล้วต่างคนต่างกระโดดหนีวัดหลวงตามีหนี้สิน คณะสิทธ์ทั้งหลายไม่เหลียวแลนั้นไม่ใช่สิทธิ์ลงตามหาบวอสิทธิ์ของลงตาแล้วต้องเข้าไปช่วยกันแบกบภาระแก้ไขปัญหาให้ลูกล่วงนี่แหละหลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะพวกน้องน้องที่มีอายุพรรษาร้อยกว่าหลวงพ่อที่เป็นสิทธิ์ยาวนสิต ท, ทั่วประเทศลูกสิทธิ์ลงตาเมื่อลงตามรณะภาพ วันที่สามสิบมกราห้าสี่ในคืนนั้นเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยทุกอย่างไม่ได้คิดล่วงหน้าเพราะโดยความรักเคารพในองค์หลวงตาอยากจะให้หลวงตาสงทาตสงขันอยู่ให้นานเราไม่เคยคิดว่าเหีบยังไงโล่งยังไงจะจั ด, จ ด, จดงานจบองค์ตายยังไงเมื่อท่านผ่านไปแล้วไม่มีใครพูด ถ้าใครขืนพูดขึ้นมาในช่วงนั้นก็แปลว่าโดนโดนเจ ย, ยบเหมือนกันเพราะต่างคนกับต่างอยู่ในใจของใครของเราแต่คิดได้แต่พูดไม่ได้แต่ถึงยังไงในใจนั้นต้องได้วางแผนวางแผนในการที่จะจัดยังไงต่อไปใไนอนาคตแต่ไม่พูดเพราะนั้นเวลาหลวงตาล่วงรับไปเมื่อตีตีสามตีสามห้าสิบสามนาที พวกเราก็นั่นหละนับตั้งแต่วันนั้นมาจัดงานแล้วกันเราจะขนย้ายยังไงเราจะทํำยังไงเลยหีบลงเอามาจากไหนนั่นแหละจากนั้นก็หลวงตาก็มีพินัยกรรมไว้อีกว่าเมื่อหลวงตาเอาหลวงตามาสาลาเสร็จแล้วอท่านสุดใจก็เอาพินัยกรรมมาให้หลวงพ่ออ่านต ร, ตรงพ่อที่แรกหลวงพ่อก็จะให้ท่านสุดใจเป็นผู้อ่านเอา ทานใจท่านใจว่าท่านอาจารย์ถ้อ่านเออเอาอ่านก็ได้หลวงพ่อขะ อ, อ่านแต่พินัยกรรมนี่หลวงพ่อไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ได้ยินอยู่ว่าจะมีพินัยกรรมของหลวงตาระบุบอกบ่งใครเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะพินัยกรรมเป็นของที่ปิดเป็นของที่ลับเปิดเผยไม่ได้จนกว่าท่านผู้ให้พินัยกรรมหรือบอกพินัยกรรม เจ้าของพินัยกรรมล่วงลับไปแล้วจึงเปิดเผยได้วันนั้นพินัยกรรมของลงตาก็ปิดเงียบหลวงพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันแต่พอวันสุดท้ายเอาพินัยกรรมออกมาเปิดหลวงพ่อยิ่งโอ้รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นคือลงตามมอบให้ดูแลเรื่องจิตตุปใจ เข้าครังหลวงหนังสือทุกเล่มทีล่ลูกหลานได้รับไปเนี่ยจะมีพินัยกรรมดูหน้าสุดท้ายเกือบทั้งหมดอ่านดูพินัยกรรมอยู่ในนั้นละ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็วางแผนจะทํำยังไงเงินจะไม่รั่วไหลเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้สั่งตู้เซฟเข้ามาไปจําการเลยอย่างที่หลวงเห็นตู้เซฟทั้งหมดทั้ง 40กว่าตู้ตู้ละหมื่นกว่าหมื่นกว่าทั้งหมดตู้ละสองหมืนก็มีคือซื้อตู้เซฟมาเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้เงินไหลรั่วซึมถ้าเราใส่ตู้เซฟไปแล้วใครมาก็ย้อนตู้เซฟตู้เซฟจากนั้นก็เปิดเป็นระยะพอเปิดเสร็จแล้วก็มีคณะกรรมการไปเปิดมีตอชดอไปด้วยเก็บเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็มาเทลงทั้งแบงก์รวยทั้งคณะกรรมการ ที่เคยจัดงานกระองค์หลวงตาเคยติดตามหลวงตามาก่อนที่คณะโครงการช่วยชาติลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามีเยอะมือของหลวงตาจากนั้นเขาก็มานับนับแล้วก็ได้ยอดเท่าไหร่จากนั้นเขาก็มอบให้แก่ธนาคารธนาคารก็เอาไปเข้าธนาคารต่อไปก็ยอดก็เพิ่มแต่ละวันละวันละวันนี่แหละวิธีการรักษาเงินหลวงตาที่ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนนํามาเพื่อมาช่วยงานศพมาช่วยงานของเราที่เรามรณะภาพให้นําเงินพี่น้องประชาชนทั้งหมดเหล่านั้นซื้อทองคําเข้าคางหลวงอย่านํามาใช้ในงานศพของเราศพของเราร่างกายของเราใช้ฟืนเผาอย่าใช้เงิน หลวงตาสั่งในพินัยกรรมท่านพูดชัดเจนแล้วให้ปูดแดดูแลเรื่องเงินที่มาบริจาคนี้ใครบ้างแต่ก็มีมหลวงปู่ฟักที่มรณาภาพไปแล้วหลวงท่านท่านปัญญามรณาภาพไปแล้วมีแต่หลวงพ่อยังอยู่กับท่านวันชัยท่านจุดใจอย่างพายอยู่สามองค์ส่วนโยมห้าคนยังครบอยู่นี่แหละ น, นี่หลงพ่อจึงได้กระโดดลงไปดูแลจุดนี้แต่เดี๋ยวนี้เงินทั้งหมดตั้งแต่วันบรรณาภาพของหลวงตาวันที่30จนถึงวันที่ห้าที่หก่นเงิน300อกว่าล้านนะสามรอกว่าล้านที่คนหมาบริจาคไม่ใช่น้อยแล้วก็ทองคำํำทองคําอีกต่างหากักคนที่มาถวายทองคําอันนั้นก็ร้อยกว่ากิโลอีกตั้งแต่วันที่30จนถึงวัน ที่หวันที่ส0มสิบมกราจนถึงวันที่หมีนานี่แหละแต่พวกคณะทาญาติโยมก็คงจะสงสัยอีกเหมือนกันนะทีเอ๊ถ้าว่าหลวงตามีพิธานกรรมบอกชัดเจนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาบริจาคเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดแล้วจะเอาเงินอะไรจัดงานทำเมนทำถนนทำอะไรจะเอาเงินยังไง ถ้าไม่เอาเงินก้อนนี้อันนี้ผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะสงสยัยหลวงพ่อเองก็สงสัยอยู่แล้วพอท่านหลวงตามรรณาภาพเมื่อคืนที่สามสิบมันก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดตอนเช้าหลวงพ่อตอนเย็นวันที่วันที่สมสิเอ็ดหลวงพ่อเขาประชุมพระเจ้าอาวาสต่างๆว่าอย่างไงพินัยกรรมของหลวงตาบ่งบอกอย่างนี้พวกเราในในฐานะคณะสิทธ อง์หลวงตาจเจ้าอาวาสต่างๆทั้งเหนือจดใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเราจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องท้องหิวเราจะเดินทัพได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินเราจะจัดงานพระราทานเพลิงสุพองตาได้อย่างไรเอาพี่น้องปรึกษากันก็มีจเจ้าอาวาสทั้งหมดในวันนั้นเกือบ สามสี่สิบเจ้าวาดหลวงพ่อกับประกาศขึ้นมาวัานนี้พวกเราควรจะลงขันกันมากน้อยไม่ว่ากันเอาผมลงก่อนหลวงพ่อลงเอาหลวงพ่อห้าแสนจากนั้นก็คนละสองแสนสามแสนคนละล้านก็มีมีวัตรละล้านอยู่สามบัตรในวันนั้นจากนั้นก็ได้เงินมาเกือบหกล้านในคืนน้ะ เออเอาเพียงพอแต่เกินจำนวนนี้เร็วที่สุดนะอย่าช้านะเอาข้อบัญชีให้เลยที่เอาเปิดบัญชีผู้ที่รักษาบัญชีหลวงพ่อก็ะแต่งตั้งขึ้นมาเอาเอ า, เอาท่านนุบุญมีองค์หนึ่งท่านนกปนองค์หนึ่งท่านเฉลิมองค์หนึ่งแล้วก็เท่าแก่กุคุงเป็นโยมคนหนึ่งในบัญชีเนี่ยให้มีสีชื่อบัญชีมีชีคนแล้วก็ไปเปิดในวันรุ่งขึ้นเลย พอเปิดเสร็จแล้วก็เอาเงินเข้าธนาคารจากนั้นกับบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอะไรสิมีอะไรเกิดขึ้นค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่อมิอะไรสิเนีอมากายสรุปแล้ว ก, ก็มีคนสมทบเขามาวัดต่างๆสมทบเขามาได้เงินเกืเกอบสี่สิบล้านเหมือนกันนะเงินก้อนนี้ไม่ใช่น้อยแต่เงินก้อนนี้จะทำอย่างไรหลวงพ่ อ, ขอกขประกาศว่า ในเมื่อเราเอามาใช้แล้วมันเหลือเราก็ต้องปัดเข้าทางคังหลวงอีกเหมือนกันเออไม่ให้เอาเงินไปที่อื่นเงินก่อนนี้จะต้องเอาเข้าคังหลวงถ้ามันเหลือที่เราใช้ในงานแล้วเงินที่ออกหนักๆที่ออกมากก็คือพระทั่วประเทศหมื่นองหมื่นกว่าองค์งคเราจะถวายยังไงคณะกรรมการก็บอกพระเล็กเงินน้อยพระ แนวน้อยบวชใหม่เอาองค์ละห้าร้อยเพระที่ใหญ่ขึ้นมาองค์ละพันไม่ชีก ค, คนละพันแล้วก็เจ้าวาดสองถึงสามพันแต่ถ้ามาจากทางไกลมีมาเครื่องบินส่วนกลางอันน้พิจารณาเป็นหลายๆองค์องค์มานะองค์ละสองหมื่นสามหมืนก็ให้มีถึงห้าหมืนก็มีถ้าหาว่าเป็นไ ป, นปนได้จุดแท้แต่คณะกรรมการ อันนี้หลวงพ่อให้แนวนัตโยบายเอาไว้ให้พวกท่านปฏิบัตเิเงินก้อนนี้สรุปแล้วก็คือตีเช็ดเกษตรกรไทยหมดไปสิบหล้านเหมือนกันงานงานนี้ที่ที่จะถวายพระนี่สิบหล้านแต่ ก, ก็ยังเหลือเงินสิบกว่าล้านอีกเหมือนกันเงินสิบกว่าล้านนี่ก็จะพิมพ์หนังสือหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มใหญใ่ออกมาอีก แต่ก็ควรจะมีคนจองให้จองจุดจองหนังสือถ้าไม่จองกันไม่รู้จะรู้จักมากน้อยแค่ไหนแต่สุดแท้แต่พวกท่านจะดําเนินแต่นี้ทางโรงพิมพ์เขาก็บอกว่าก่อนที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะต้องมีเงินสดประกันถ้าเขาพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเงินเน่ยเขาจะเก็บกับใครเพราะฉะนั้นขอให้ทางวัดประกันเขาด้วยเท่าไหร่สิบหล้าน อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกมาล็อตสองอันนี้มีครบจะครบทุกบุคคลขบวนการตั้งแต่สารหมายกำหนดการทางในวังแล้วก็นังสื อ, อขอพระราชทานเพลิงจากผู้ว่าราชการจังหวัดลักษณะอย่างนั้นะรูปภาพต่างๆพระบรมราชินีควาหญิงคณะรัฐมนตรีจะพิมพ์ใหนังสือเล่มนี้ เปังสือเล่มนี้จะสมบูรณ์ด้วยภาพทุกอย่างอันนี้ก็คงที่ว่าจะแจกเดือนสิงหาคิดว่านะวันที่12สิงหาฐานไม้อันนี้ก็คือคณะกรรมการปรึกษากันเกี่ยวกับหนังสือนี่แหละจากนั้นก็จะตุปัจจัยที่เหลือจะทำยังไงนอกนั้นก็เนี่ยดวงตาบอกว่าเวลาเราบรรณะภาพเนี่ยรถจะมามากนะเพราะนั้นขอ ขอท้องนาของพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดให้ตัดคันน า, าตัดคันนาเอารถไถตัดคันนาพอตัดแล้วให้ทาให้ดีเหมือนเก่าแล้วค่าใช้ใจ่ายในจุดนี้ถ้าเขาควรจะให้สินน้ำใจแก่เขาด้วยท้องนาไหนเขาเรียกร้องเท่าไหร่เบ้นเสียแต่เขามีศรัทธาที่จะช่วยก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเขาเรียกร้อง หรือว่าไม่เรียกร้องก็ตามควรจะให้สีน้ําใจแก่เขานะอันนี้ก็คือหลวงตาท่านก็ได้สั่งเพราะฉะนั้นจัตุปปัจจัยก้อนนี้ก็คงจะใช้ไปลักษณะนี้แหละค่าน้ําข้าวไฟค่าหกน้ําห้องสวมสังกะสูงสังกสีห้องน้ําผ้าสโลงสแลนนี่แหละอันนี้ก็คือจัดปัจจัยจํานวนนี้แหละที่ต้องได้ใช้ในงานนี้แต่นี้หลวงพ่อจะเข้าไปวันที่สิบเอ็หลือไหมะ ถ้าปัจจัยจะานี้เหลือหลวงพ่อก็สบายใจก็จะปัดเข้าคลังหลวงต่อไปทําไม่พอครับนี่แหละคณะสิทธิ์ทั้งหลายจะต้องลงขันแบบนจนสำเร็จรุ่วงนี่แหละอันนี้บอกให้พวกเราทั้งทั้งหลายจะทำงานสิ่งไหนก็ตามต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วกระโดดนี้ไปทิ้งความหายนะให้คนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้แก้ไขไป นั่นแหละคือความไม่ถูกต้องเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยทํางานจุดไหนก็ตามอืมเราจะต้องอยู่อย่างงานของคุณแม่ชี้แก้วเหมือนกันพอเสร็จงานแล้วหลวงพ่อกต้องอยู่มีหนี้สินไหมพอมีหนี้สินเข้ามาเคลียหนี้สินให้จบซะก่อนจบแล้วนะหนี้สินไม่มีอะไรนะเออเอาจบแล้วหลวงพ่อก็กระโดดออกไปแต่ในงานหลวงตาเนี่ยกว่าจะเคลียหนี้สินได้ก็ต้องใช้เวลานาน เพราะนั้นหลวงพ่อต้องออกมาพักผ่อนก่อนเพราะสุขภาพหลวงพ่อโอ้ย่ําแย่มันหายใจไม่อิม่มดูๆแล้วทําไมมันหายใจไม่อิม่มเพราะฝุ่นตลบทั้งวันเลยพื้นกระดานนี่ขาวโพลนไปหมดตอนเช้าต้องได้เอาผ้าเช็ดชุบน้ําเช็ดโอโ้โหดาเป็นปื้นเลยแต่เรามองไม่เห็นมันควันมาอยู่ในป่าเพราะนั้นหลวงพ่อหายใจไม่อิม่มหายใจทีแรกมันก็เข้าจมูกเข้าปอดทั้งหมด ไม่ฝุ่นอะไรก็วมีอะไรทั้งเจล็ดน้ําลายของใครก็หมย่ยรู้คนเป็นแสนเป็นล้านนี่แหละอันนี้ตรงพออ่อยยําแย่ช่วงหลังๆที่แรกก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันเป็นหวัดถ้าเป็นหวัดมันหายากนะแต่พอรักษาเอาจริงๆ ก, ก็ไม่ไหวเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยเป็นหวัดช่วงโคงสุดท้าย น, ะนี่แหละ ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระหัตถศาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนนับถือเป็นมากมายผลที่สุดท่านก็ทิ้งท่าทิ้งขันของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายท่าขันไม่ไม่แพ้กันแต่ส่วนจิตใจบริสุทธิ์ในใจของท่านนั้นท่านยืนยันเป็นร้อเป็นพันเปอร์เซ็ต ว่าเราบริสุทธ์แล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะสิ่งที่มาให้เกิดนั้นเราชาระแล้วเราตัดออกแล้วจากใจของเราดวงตาท่านประกาศชัดเจนเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราพระเนรชธายาธโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะบาเพ็ญกุศลก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้ พวกเราข้าคงเนี่ยนะบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆอย่าตั้งอยู่ในความประมาทความตายไม่ได้เลือกว่าผู้มีศัก์ศรีไม่มีศักดศรีผู้ใหญ่ผู้น้อยมั่งมีสีสุขผลที่สุดก็ทิ้งธาตุเทิ่งขันไปด้วยการทั้งหมดในพระไตรปิฎกท่านว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ทิ้งดาบทิ้งกทาทิ้งเครื่องประดับทั้งหลาย ชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งแอกและคันไถทิ้งหมดพ่อค้าพ่อขายก็ทิ้งบัญชงบัญชอีอวิธีหาเงินทุกหมู่ทุกเหล่าทิ้งหมดเดินเคียงข้างกันไปเพราะว่าทิ้งทั้งหมดแล้วมิจะเดินเคียงข้างกันไปเสมอกันเอเพราะว่าตายไปแล้วในเมื่อเป็นคารวาสเนี่ย เ, เรามียศถาบรรดาศักดิ์อย่างงู้นอย่างนี้แต่พอตายไปแล้วเสมอกันทิ้งทั้งหมด เป็นสมณาะชีพามกดทิ้งผ้าเหลืองทิ้งบาทหมดเดินไปเคียงคู่กับชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆกท่านคิดดูประทานคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ตั้งใจภาวนาจะไงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นนหะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกคนนะ ในวันนี้ก็ให้แนวความคิดส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาในการบริหารจัดงานขององค์หลวงตาเมื่อวานได้พูดอีกมุมนึงแต่วันนี้ก็ได้พูดอีกมุมนึงเพื่อพวกเขาได้ฟังนะอัลพรอัลโมธนาให้ก่อ